พระธรรมเทศนาแผ่นที่99าลำดับที่ย0สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สพฤศจิกายน2559หมีชื่อเรื่องว่าสายหลวงปู่มั่นเน้นการปฏิบัติพวกคณะจัดทาญาติโยมเห็นหลองพ่อโพดิอหมู่มาปูมั บ, มมบ ก็คงอยากจะทราบบางครัเอ๊ะหลวงพ่อพูดอะไรวาอนน ท, ท่านนายอเภอเนี่ยนะท่านนายอำเภออาเภอนายุงกับคุณนายท่านเขามาลาลาหลวงพ่อกราบลาหลวงพ่อจะไปไประจอยู่ที่อาเภอกุดจับอาเภอกุดจับอุดอรของเราเนี่ยแหละติดกับอาเภอบ้านผื อ, เ, อเป็นอาเภอใหญ่ เป็นอำเภอใหญ่อำเภอหนึ่งกุฎจับนี่เป็นอำเภอชั้นเอกนะเป็นอำเภอชั้นเอกของอุดรหลวงพ่อบอกแสดงความยินดีด้วยที่เดไปอยู่เดย้ายไปอยู่กุฎจับแล้วก็อยู่ใกล้อุดรบ้านของท่านในอำเภอก็อยู่อุดอใรใกล้ๆเข้าออกง่ายเข้าสะดวกออกสะดวก อยู่นายูงก็เนี่แหละคุณอุปการให้กับอําเภอนายูงสองปีแล้ท่านนายเพิ่มาอยู่ที่ไหน ป, ปีเดียวล่ะอือยู่ปีหนึ่งปีเต็มแต่ท่านก็ทําย้ายอยู่ในเมืองอุรานการาชการก็ต้องอย่างนี้แหละหมุนเวียนเปลี่ยนไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีอายุราชการมากก็มุ่งหวังก็คือ ผู้วาราชการจังหวัดแต่ท่านอำเภอนายูงของเราที่ปรยู่อำเภอเ็นนี่เป็นรองผู้ว่าหนองคายอ๋ยอจิไรสักท่านจิรศักเหรอเออแต่นี่เป็นรองผูว้วาราชการหนองคายแต่ก่อนเป็นนายอำเภออำเภอเพนนไก่ไก่ตนัตนนะแต่นลงไปเป็นปรลัดชชออจังหวัดสะเิงเซาเออประหลัดจังหวัดสะเสิงเซา จะได้ขึ้นมาเป็นรองผู้วา่าน้องคายแต่ถ้าอายุราชการยังมากก็คงได้เป็นผู้วานมากนักเงกเนาะวันนี้เป็นวันที่สี่วันศุกร์ที่สพฤศจิกายนพุทธศักราช2559้วันนี้วันพุ่งเนีเป็นวันเสาร์ เราก็จะมีพวกคณะทรัพย์สินจะเข้ามาปฏิบัติธรรมมั้งจะมาพักค้างสองคืนก็ให้ช่วยๆกันดูนากพวกกูบาทั้งหลายแต่มามากน้อยเท่าไหร่ก็ท่านก็มีมีบอกไว้ในนั่นแหละพวกกูบาช่วยๆกันดูแขกญาติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ามาพักอบรมอบรมพักพรทั้งด้านจิตใจแต่ตาไม่จริงการอบรมทั้งด้านจิตใจเป็นนามะธรรมมันอบรมถ้าหากว่าทางดูเรามาพิจารณาอีอกแนวหนึ่งการ สอนของพระกรรมฐานหรือาสายแนวแถวสายหลงปู่มั่นที่พวกเราสอนกันสอนพระเราไม่ได้เข้ามาอบรมแบบเข้าคอร์สเข้ามาแล้วก็สอนวิธีการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะอันดับแรกก็คือให้อยู่อยู่ในกฎระเบียบซะก่อนให้การอยู่ด้วยกันต้องมีกฎระเบียบอยู่ในวิ น, นัยวินัยของพระ สินสีน็นันคือกฎระเบียบกฎกติกากฎหมายถ้าจะพูดอีกแบบทางโลกเขาว่าเขาใช้กันคือกฎหมายแต่ของพระเนี่ยพระวินยัยหรือสินสินและวินยนะัยกฎระเบียบกฎหมายคืออันเดียวกันอันนี้เมื่อเข้ามาอยู่เข้ามาวัดเข้ามาบวช ครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้อยู่ในกฎระเบียบนอกเหนือจากวินัยอีกต่างหากนะวินัยเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งกฎระเบียบก็คือส่วนหนึ่งแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันแต่ถ้าจะบัญญัติกฎระเบียบขึ้นมาก็ไม่ให้ขัดแย้งต่อหลักพระธรรมวินยัยให้ไปตามแนวแถวหลักพระธรรมวินยัยแต่ว่าก็เป็นกฎแต่ละวัดไม่ไม่เหมือนกัน แต่ละวัดเนี่ยบางทีก็ชั้นเวลา9นาฬิกาหรือพอเกือบ10นาฬิกาเพราะทางไกลแต่บางวัดก็ต้องชั้น7นาฬิกาปิธบาศหโมงเช้าเจนาฬิกามาถึงแล้วก็ชั้นแต่ยังไงก็ตามคือกฎแต่ละวัดนะเนีทำไมวัดนี้ทาไม8นาฬิกาวัดนั้นทำไม9นาฬิกา วัดไห้ทําไม10บนาฬิกาการฉันอันนี้คือกฎกติกาแต่ละวัดแต่ถ้าว่าฉันถ้าเราฉันถ้าฉันเวลาตอนบ่ายผิดวินยัยได้ส้ไม่ได้แต่ต้องฉันอยู่ในระหว่างใกล้ก่อนเที่ยงตั้งแต่เป็นวันใหม่ขึ้นมาแสงอรุณเป็นวันใหม่ขึ้นมาไม่ให้เลยเที่ยงถ้าเลยเที่ยงไปฎิผิดวินยัยได้ส้นถว่าฉันก่อน ชั้นก่อนอรุณขึ้นสันชั้นก่อนแสงสว่างขึ้นมาผิดวินยัยแต่ถ้าหากว่าชั้นอยู่ในระหว่างถูกต้องตามวินยัยแลวก็ถูกกดกฎกติกาที่เราตั้งแต่ละแต่ละสำนักตั้งกฎกติกาขึ้นมาไว้อันนั้นสุดแท้แต่ใครจะตั้งกดจะฉันเวลาไหนก็ได้ตั้งแต่ สว่างขึ้นมาจนถึงเที่ยงไม่ผิดไม่ผิดวินัยใครจะตั้งกฎกติกาแต่ละวัดได้อันนี้ให้พวกเราเข้าใจว่าคือกฎกติกาเรียกว่าศีลและวินยัยถ้าว่าพวกเราทำถูกต้องอย่างนี้แล้วจากนั้นท่านก็อนสอนเรื่องอยู่ในกฎ อยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยแล้วท่านก็สอนเข้าไปเรื่องทางด้านจิตใจตามแนวแถวสายลงปูมันแต่หนึ่งน้านด้านจิตใจจุดนี้หละมันไม่มีไม่มีการบังคับกันเลยนะสายลงปูมันท่านสอนแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สอนกันถ้าจะเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลายัลายก็คือมหาวิทยาลัยเปิด สุขโขทัยบ้างรามคำแหงอย่างนี้แหละมหาวิทยาลัยเปิดคือให้ตำราแนะแนววิธีการแล้วก็ให้ตำราไปเพราะให้ตำราไปให้ศึกษาเองนะแล้วก็มาสอบอันนี้เขายังมีการสอบเมื่อเราได้ตำราไปแล้วก็แนะแนวจากครูบาอาจารย์วิธีการปฏิบัติคือให้แผนที่ไปใ ห, ให้แผนที่ไปแล้วก็ให้ไปเรียนศึกษา อย่างนั้นก็นมาสอบอันนี้คือทางฝ่ายฝ่ายปริยัตและทางฝ่ายปฏิบัติลักษณะอย่างนี้เถีงสายหลวงปู่มั่นท่านให้ให้ควคิดให้อัดทำให้แนวความคิดไปแล้วก็นำไปปฏิบัติแต่ทางฝ่ายทต่ทางฝ่ายปริยัตเนี่ยทางฝ่ายปริยัตคือทางฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายปกครองเนี่ย ก็จะต้องสอนกันสอนปริยัติธรรมพอเข้ามาบวชแล้วก็สอนกฎกระเบียบพอสอนกฎกระเบียบเสร็จเรียบร้อยก็สอนแล้วเขมาสอบสอบแล้วก็สอนสอนก็นสอบจนได้เป็นนักธรรมตรีโทเอกมหาป ร, ริญญ์3าถึงเประโยคอันนั้นคือฝ่ายปริยัติท่านสอบกันนี่แหละทีนี้มาพูดถึงฝ่ายกรรมฐานเถอะ กรรมฐานเมื่อบอกให้กันแล้วแนะนําไปปฏิบัติให้เดินตามแผนที่นี้นะในเมื่อเดินตามแผนที่ตามแนวแถวครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนจากนั้นก็ถึงปฏิเวทปฏิเวทธรรมคือจุดหมายปลายทางที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้ถึงจุดนี้เดินไปอย่างนี้อย่างนี้นี้สมาธิเดินอย่างนี้เดินมีปัจนายอย่างนี้ แต่ไม่มีการบังคับปล่อยให้แล้วก็ไปทำแต่การที่ไม่บังคับจุดนี้แ่ละ เ, เหมือนกับเด็กนักเรียนไม่มีครูสอนจริงจังมันก็เลยทะเลถลายแต่เด็กนักเรียนบางคนโอ้ผมตั้งตัวไม่ได้หรอกถ้าไม่มีครูสอนอสิงจริงจังปล่อยให้ผมไปเรียนเองเนี่ยผมเรียนคงไม่ไหวละ เราก็รู้แก่ใจจากนั้นจึงมีการมีการเข้าคอทเขาจึงประกาศเข้าคอทข่าอโหงเท่านั้นข่าอาหารเท่านี้ข่าเวลาเข้าคอทเวลาท่ า, งงานอย่างนู้นอย่างนี้ทําตรงปฏิบัติตนสรุปแล้วก็คือให้มีกฎข้อบังคับในเวลาเข้าคอทห้ามไม่ให้คุยกันบ้างอย่างนี้เป็นตน้นนะอแล้วก็ให้อยู่ตามลําพังบ้างอย่างนี้เป็นตน้น มีหลายแนวตามสุดแท้แต่คอสเขาจะกำหนดการอันนี้ก็คือการบังคับให้ลูกนักเรียนหรือนักศึกษาผู้เข้าไปนก็อยู่ในกฎระเบียบนั้นแต่ดีไหมถ้าจะว่าดีมันก็ดีดีกรับสำหรับนักเรียนทะเลถลัยนักเรียนยังไม่รู้จักผลนักเรียนยังยังไม่ยังไม่มีความตั้งใจพอ แต่ถ้านักเรียนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจพอเอาเถอะข้าพเจ้าบวชมาคราวนี้มาปฏิบัติธรรมในคราวนี้เล่าข้าพเจ้าเสียสละจริง เ, เสียสละทุกอย่างเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเพื่อมาปฏิบัติธรรมสิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนําบอกกล่าวตามหลักธรรมคาสอนของพุทธะข้าพเจ้าปฏิบัติจะปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัดจากนั้นก็นลงมือปฏิบัติเลยเไปว่าเป็น ตัวเองสอนตัวเองอัตติอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนอื่นใครอื่นใครเลยจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากตัวของเราถ้าเรามีความมุ่มั่นตั้งใจอย่างนั้นนั่นละ่ะดีเลิศแต่ถ้าว่าเข้ามาแล้วไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็เลาะๆาเลยและไปเป็นวันวันเดือนเดนปีปีไปอันนั้นก็ เป็นนักเรียนที่ว่ า, เ, าเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ารีไทยพอถึงแปดปีเข้ามาแล้วก็สอบก็ยังไม่ผ่านผลนี่จต้องรีไทยแปลว่าไม่ไปไม่มาเนอะแต่บางคนกเ็เรียนจนเพื่อใ ห, ให้หลักวิชาตัวเองมั่นคงต่อเอก เ, เรียก เรียนจนถึงสิบสองปีเออเพื่อให้หลักวิชามันมั่นขึ้นแต่ที่แท้มันไม่ใช่หรอกมันเลาะแหละอย่างนั้นเอ่อมันไม่จริงไม่จังเออไม่ใช่ว่าเพื่อให้เรียนให้เข้าใจเขาอกเข้าใจอย่างนั้นมันดีเลิศประเสริฐแต่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเออพอเรียนไปแล้วมันทะเลถลายถลายถลักไปเรื่อยนี้ก็เหมือนกันการที่ออกมาประพฤติปฏิบัตทิทรเทเนี่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาเนี่ย ให้บังคับตนเองถ้าตัวเองไม่บังคับตนเองถ้าตัวเองมองไม่เห็นคุณค่าในการเป็นอยู่ของตนเองเราไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้ให้ศึกษาให้เข้าใจหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเราพวกเรายังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจท่องแท้ในจุดนี้น่มันจะถอยหลังได้ไง่าย วันนั้นครูบาอาจารย์ก็มีแต่บอกกล่าวแนะนําให้พิจารณาให้นั้นระลึกนะให้ระลึกถึงชีวิตของเรานะพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะเอบอกกล่าวได้เพียงแค่นี้เราเคยเห็นไหมเปรียบเทียบรู้สิคนที่ไปจากก่อนเรานี่มากมากต่อมากไม่ว่าน้อยว่านุ่มไม่ตว่าเท่าว่าแก่ไม่ว่าในระดับไหน ชีวิตนะั้นเหมือนกับน้ําค้างใบบัวไม่รู้ว่าจะตกหล่นเมื่อไหร่ลมกระโชกมาเมื่อไหร่น้ํากระกลิ่งออกจากใบบัวเมื่อนั้นไม่รู้ว่าลมจะมากระโชกเมื่อไหร่อีกต่างหากนี่แหละชีวิตของเราก็ ค, คล้ายนั้นละ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าไว้ให้ทั้งตัมจิตตภาวนาเอาไว้ตามหลักธรรมแนวแถวของพุทธ แต่ถั้งยังไงบอกได้เลยว่าตายแล้วไม่ศูนย์ให้ศึกษาดูนะตายแล้วเกิดอกีกตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านไปศึกษาค้นคว้าดูแล้วแต่พวกเราอยากจะรู้ศึกษากิมีวิธีกรรมวิธีการที่จะพิสูจน์ได้จะทํายังไงจึงจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนั่นหรือพูดหลอกๆ ก, กันมาเป็นทอดๆ อ, อย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละอันนี้เราต้องศึกษา เพราะวิชาในโลกนี่มีมากมีมากที่เรายังไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าพอเขาพูดเข้ามาแล้วก็ปาหมาดเขาเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่ไม่น่าจะถูกแบบปาหมาดแบบตาบอดประหมัดขวากหนามลักษณะอย่างนั้นพูดปลามไปเลยแต่ตามจริงมันมีอยู่ที่ท่านตาดีเขาเห็นเขารู้ แต่เราไม่รู้น็คือประเภทตาบอดเพราะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านนะศึกษาวิชาในโลกนี้มีมากอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววิชาที่เรายังไม่รู้นั่นนะอ่ะยังไม่เข้าใจแต่วิชาแขนงเดียวเพียงทำอาหารอย่างเดียวทำอาหารในโลกนี่ยมันมีกี่อย่างทั้งที่เราก็ทานอาหารทุกวี่ทุกวันแต่เราก็ยัง เรียนไม่จบวิธีทำอาหารวิธีอย่างอื่นนะท้องฟ้าอากาศพีสูดเอาในท้องฟ้าล่ะมันก็ยังไม่จบอีกเหมือนกันเพราะวิชาแต่และวิชามันมีมากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุท่านศึกษา ห, หลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้วิธีการปฏิบัติให้บังคับตนเองไม่มีใครที่จะ บังคับตัวของเราได้ถ้าเราอยากจะได้ดีเราต้องบังคับตนเองอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ตามเมื่อเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเวียงหวังในคืนนั้นไปกั น, ก น, นายชนะพระองค์ตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานเลยข้าพเจ้าจะไม่ขวนกลับคืนโดยเด็ดขาดตายดาบหน้าจะไม่กลับคืนมาโดยเด็ดขาด พราเจ้าจะมุ่งหวังจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานจนสำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปราถนาของข้าพเจ้าพระ อ, องค์ได้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะออกจากเวียงวังถ้าว่าพระ อ, องค์ไม่แน่วแน่ขนาดนั้นถ้าพระ อ, องค์เสด็จหนีออกไปแล้ววันสองสาวันนัามาคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงพระบรมวงศานุวงศ์พ่อแม่คนทั้งหลายเขาวคุม คงจะลุม่มจวสวดให้เหมือนกันสิทธะไม่มีจุดยืนเขาจะว่างหลาะแหละคิดอะไรก็ไม่รู้ เ, เป็นอะไรถ้าทุกวันนี่ก็คงจะว่าเป็นประสาทตลักษณะอย่างนั้นนพระพระองค์จึงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดขาดแน่วแน่ไปหน้าอย่างเดียวนะแต่เมื่อพระองค์ตั้งจิตทั้งที่ฐานและวพานั่งภาวนาข้าพเจ้าจะไม่ลุกโดยเด็ดขาดนะ เนื้อหนังมังสาจะเกิดแห้งไปข้าไปเจ้าอุทิตนะสรุปแล้วก็คือแนวแถวของพุท ธ, ธเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าท่านเหนือกว่าเราแนวความคิดความเด็ดเดี่ยวความอาถรรนความมุ่งมั่นความตั้งใจอันแน่วแน่ของพระองค์ท่านจึงได้เป็นพุท ธ, ธเหนือกว่าพวกเราพวกเราจึงได้เป็นสาวกเป็นผู้จะดับสนับตรับฟังจากพระพุท ธ, ธเจ้า เพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาศึกษาในแนวแถวของพุทธะพระพุทธองค์สอนอย่างไรสอนภาษาวกภาษาวกปฏิบัติอย่างไรแล้วจากนั้นก็พวกเรานำํำทำคําสอนของพุทธะนาแนวทางที่ภาษาวกทั้งหลายมีแนวทางที่เราศึกษารู้เป็นแนวทางมากมายในพระไตรปิฎก หรือครูบาอาจารย์รรมลิขิตขององค์หลวงตาท่านสอนยังไงหลวงปู่มั่นท่านสอนยังไงที่หลวงพ่อแจกไปเนี่ยนะที่ธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์วิธีการประพุทธปฏิบัติพวกเราศึกษาแล้วเราจะรู้แนวทางเพราะในวิชานโลกในโลกในอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมันมีมากหลากหลายแต่เราจะศึกษาเราไม่ศึกษาสายอื่น เราศึกษาสายพุทธะสายพุทธะก็มีหลายสายอีกเหมือนกันเราจะศึกษาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นต้องเจาะจงลงไปอีกเพราะว่าวิชาในโลกมันมีหลายอย่างวิธีหาเงินวิธีในวิธีหาเงินในโลกทำไมหลวงพ่อจึงเจาะจงให้ ศึกษาในแนวแถวสายลงปู่มั่นเพราะสายอื่นมีมากกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้งสี่สิบโดยประมาณสี่บกรรมฐานจะมากกว่านั้นไปอีกกรรมฐานของพรธาตแต่ในแต่ละองค์ท่านก็กรรมฐานสี่สบองค์สี่สิบอย่างเราจะไปเรียงภาวนาตามสี่สิบอย่างคงหลวงพ่อไม่แนะนําอย่างนั้นให้หลวงพ่อนี่ยนะหลวงปูมั่นของเราเนี่ท่านปฏิบัติแล้วท่านได้ผลแล้วเห็นผลแล้ว ตามแนวแถวนี้ให้ศึกษาตามตามแนวแถวสายนี้นะตามที่หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษาหลวงพ่อมั่นใจเพราสายนี้เป็นสายที่ท่านปฏิบัติจริงจังและจากนั้นก็เมื่อท่านล่วงรับดับขันไปกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกันธรรมตาตรรมใจของพวกเราอันนี้คือกระดูกของพระหรัน ตามหลักแถวแนวทับ แ, แนวแถวของทำคําสอนเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวว่าศึกษาตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแต่วิธีอื่นล่ะป้นทุกได้ไหมได้เหมือนกับวิธีหาเงินเป็นข้าราชการก็หาเงินได้เป็นพ่อค้าก็หาเงินได้ชาวนาก็หาเงินได้กีนยางก็หาเงินได้ ขายกาแฟก็หาเงินได้มันมีเยอะแต่ตอนี้ดมจะบอกว่าอันไหนจะได้เป็นเศรษฐีพวกขายกาแฟก็เป็นเศรษฐีก็มีเหมือนกันข้าราชการถ้าทำงานจริงจังส่วนประกอบเข้าไปถือ ง, งานหลักแต่การทำงานก็เป็น เ, เป็นผู้ร่ำรวยมีความสุขได้เหมือนกันนี่แหละ ทุกวิชาอาชีพหาเงินได้ทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันกรรมฐานที่ท่านวางเอาไว้เราไม่ได้ประมาทว่ากรรมฐานนั้นดีไม่ดีแต่ผู้ปฏิบัติจริงจังเท่านั้นแหะเราส่งเสริมเราจริงจังและจริงใจมากน้อยแค่ไหนถ้าจริงจังและจริงใจนี่ยประสบผลสําเร็จอย่างที่วิชาอาชีพการทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าทํานาทําจริงจริงจังจัง ขายข้าวส่งไปต่างประเทศก็รวยได้เหมือนกันทำกรีดยางก็รวยได้เหมือนกัน้า ง, นนางหาวิธีการจะทำยังไงจึงจะรวยมันมีช่องมีทางกันทั้งนั้นแะไม่ใช่ว่าฝ้าสวนยางสามสี่ห้าต้นแล้วอยากจะเป็นเศรษฐีคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ผููที่จะรวยก็ต้องหาวิธีการอย่างอื่นเสริมเข้ามาอีกกว้างขวางขึ้นไปเรื่อย นี่แหละวิธีการรต้องสรุปแล้วคือใช้ปัญญาหลักธรรมคำสอนของพุทธะก็เหมือนกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอนบอกกล่าวท่านสังสอนยังไงให้มีศีลอย่างกฎระเบียบให้มีสมาธิและใครมีปัญญาปัญญาคำนี้แหละมันกว้างขวางเหลือเกินจะเอายังไงจะเอาชนะกิเลสภายในใจของตนเองได้อย่างไรจุดนี้ต้อง ต้องศึกษาต้องอ่านต้องศึกษาต้องเข้าใจจากนั้นลงมือปฏิบัติแต่เราศึกษาได้แล้วศึกษารู้แนวทางแล้วจะว่าจะได้จบลราไม่ใช่นะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้เห็นตามความเป็นจริงการศึกษานะเพียงแต่ดูแผนที่ทานเองเราจะนั่งดูแผนที่ทั้งวีทั้งวันดูไปเถอะมันไม่ถึงอเมริกาหรอกยังไม่ถึงกรุงเทพ ห, หรือยังไม่ถึงอำเภอบ้านผือ ดูจะแผนที่จากนี่ไปยังไงออกจากนี่ไปไปบ้านนาคังออกจากนาคังไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนไปบ้านชุมพลไล่ไปเรื่อยจนถึงนายุงนั่งดูแผนที่ละเอียดนะมันก็ไม่ถึงบ้านผือแต่เมื่อเรารู้ว่าแผนที่นี้ไปบ้านผือเราเดินเลยเดินไปตามแผนที่นั่นหละผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ ถึงจุดหมายปลายทางนี่แหละที่ว่าปริยัตคือการศึกษาปฏิบัติคือเดินตามแนวแถวแผนที่ที่เราศึกษาปฏิเวทคือถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธหลวงพอมีแต่ชี้นําบอกกล่าวบอกแผนที่แล้วบอกแนวประพฤติปฏิบัติให้กับพวกเราได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือ กรรมฐานแนวแถวสายหลวงปู่มั่นท่านสอนแบบมหาวิทยาลัยเปิดท่านไม่ให้เข้าคอร์สแต่ถามอยู่ครูบาอาจารย์ถามบางครั้งแต่ถ้าวว่าครูบาทาปฏิบัติไปแล้วมีความขัดข้องยังไงไม่เข้าใจยังไงหรือมันเป็นยังไงให้สอบถามถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะให้แนวของคิดอกีกให้ศึกษาแนวทางอกีก อันนั้นก็คือเป็นการไม่ใช่บบสอนแล้วก็จบเลยไม่ใช่สอนแล้วก็ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วมันมเป็นยังไงเราก็ต้องมาถามไทยทันทัท น, ทนผู้รู้ถามครูบาอาจารย์อีกนะท่านจะให้แนะนำบอกกล่าวให้พวกเราแต่เรื่องจิตภาวนาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนไม่ไ ม, มีตาราลักษณะอย่างนั้นนะแต่มีตาราอยู่เป็นเครื่องบรรทัดเป็นสายบรรทัด แต่ว่าจิตตภาวนาเนี่ยมันเออมันดูดูแล้วมันต้องอาศัยครูบาอาจารย์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในความเหตุหลวงพ่อนะเออหลวงพ่อไม่ใช่ว่าพวกเราต้องมาอาศัยหลวงพ่อไม่ใช่แต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ที่จะเดินทางจิตตภาวนาเนี่ย อ, อถึงเรื่องธรรมเรื่องวินัยอันนั้นเราดูตามต ำ, ตำรับตำราได้แต่เรื่องสมาธิเนี่ย ออพอท่านแนะนแล้วก็เราปฏิบัติได้แต่เรื่องปัญญาโอ้มันสลับซับซ้อนเหลือเกินเพอเผ อ, อจะหลงเงินหลงสนตัวเองอีกต่างหากถ้าว่าไม่ได้ครูบาอาจารย์ชี้นำชี้แน่นะเพ อ, อเพ อ, เ อ, เอทำให้เสียเวลาเสียศูนย์อีกต่างหากเรื่องจิตภาวนาจุดนี้เพราะนั้นท่านจึงให้มีภาวนาจาก น, นกรรมฐานเนะ่ยครูบาอาจารย์กรรมฐานนะี่ ท่านจึงเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านน่ยว่าไม่เหมือนทางฝ่ายปริยัตนะปริยัตเนี่ยเรียนตำราเล่เลมเล่มเดียวกันเพอๆอย่างเก่งกว่าอาจารย์อีกเพราะจำจำแม่นกว่าอจำได้ดีกว่าวิเคราะห์ได้ดีกว่านะแต่เรื่องปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์เดินทางปฏิบัติไปแล้วน่ยท่านเห็นรู้เห็นอย่างไรนพวกเราเดินไปปฏิบัติไป นี่ะเราต้องศึกษามันเรื่องนา ม, มาธรรมจุดนี้มันไม่มีเงื่อนสรุปแล้วก็คือไม่มีตำราที่เขียนไว้ให้ละเอียดถี่ถ้วนฮะมันเปลี่ยนแต่เป็นตำราให้พวกเราได้ศึกษาจากนั้นประพฤติปฏิบัตินะตอนนี้ไปพระสงฆ์นโมทนาให้พรรับพรในตอนนี้นะ